วันนี้เป็นวันจันท ร, ร์ที่10กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563เป็นวันหยุดชดเชยวันมาคา บ, บูชาที่ตรงกับวันเสาร์ที่ผ่านมาทางราชการ ยังได้กำหนดให้วันนี้เป็นวันหยุดชดเชยสำหรับชาวพุทธเราเราก็ถือวันนี้ว่าเป็นวันกาไรบุญเพราะเป็นวันที่เรามีโอกาสได้ทำบุญเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งวันเพราะถ้าเราต้องไปทำงานในวันนี้ เราก็จะไม่ได้มาทำบุญกันดังนั้นวันนี้จึงถือว่าเป็นวันกำไรบุญและการที่จะทำให้วันกำไรบุญสำเร็จประโยชน์ขึ้นมาได้พวกเราก็ต้องทำบุญกันนั่นเองเมื่อทำบุญแล้วเราก็จะได้รับประโยชน์ได้รับความสุขจากการทำบุญ บุญจะทำให้จิตใจของเราหรือจิตวิญญาณของเรามีความสุขทั้งในขณะที่เรามีร่างกายอยู่และหลังจากที่ไม่มีร่างกายไปแล้วจิตใจของเราก็จะมีความสุขต่อไป และจะยกระดับพัฒนาจิตใจของพวกเราให้สูงขึ้นไปตามลำดับจากมนุษย์ก็จะยกระดับขึ้นสู่ความเป็นเทพจากความเป็นเทพก็ไปเป็นพรหมจากการเป็นพรหมก็ไปสู่การเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่าง จนถึงขั้นสูงสุดคือขั้นพระอาหารหันตสาวกหรือขั้นพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากผู้ที่มันทำบุญกันอย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องบุญที่พระพุทธเจ้าทรงสอน ให้ชาวพุทธเราทำกันก็มีอยู่สิบประการอยู่สิบชนิดด้วยกันเรียกว่าบุญญกิริยาวัตถุสิบได้แก่หนึ่งบุญที่เกิดจากการให้ทานคือการแบ่งปันเข้าของเงินทองสิ่งต่างๆที่เรามี เหลือเฟือเกินกว่าที่เราจะต้องใช้ถ้าเราเอาไปแจกใจ่ายให้แก่ผู้ที่ขาดแคลนผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนก็ใจของเราก็จะเกิดมีความสุขขึ้นมาและได้ยกระดับสูงขึ้นจากการเป็นมนุษย์ขึ้นไปสู่การเป็นเทพได้ นี่คือบุญชนิดที่หนึ่งบุญชนิดที่สองที่ทรงสอนให้ชาวพุทธเราทำกันก็คือบุญที่เกิดจากการรักษาศีลละเว้นการกระทำบาป5ประการด้วยกันคือหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สองไม่ลักทรัพย์สามไม่ประพฤติผิดประเวณี สไม่พูดปดห้าไม่ดื่มสุรายาเมาและอบายามุขต่างๆนี่เป็นวิธีที่จะรักษาจิตใจหรือจิตวิญญาณไม่ให้ตกต่ำลงไปกว่าการเป็นมนุษย์ถ้าทำบาปแล้ว จิตใจก็จะตกต่ำไปเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างไปเป็นเปรตบ้างไปเป็นอสุรกายและไปตกนรกที่ทำให้บาปนี้แหละเป็นสิ่งที่ทำให้จิตใจกลายเป็นสัตว์ที่ต่ำกว่ามนุษย์ถึงแม้ว่าร่างกายจะมีชีวิต ยังมีละมีชีวิตอยู่ยังมีร่างกายอยู่แต่จิตใจนี่ไม่ได้เป็นมนุษย์เสียแล้วอย่างที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ที่มีการฆ่าคนถึงสามสิบกว่าศพนี่ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าจิตใจไม่ได้เป็นมนุษย์จิตใจขาดศีลธรรมจิตใจ บ้าคลางั ง, งจึงทำจึงทให้ทำบาปด้วยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตร่างกายถึงแม้ว่าจะเป็นมนุษย์แต่ใจนี้เป็นนรกไปเสียแล้วพราะทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาททำบาปด้วยความโกรธเกลียดเครียดแค้น นี่เป็นผลที่เราสามารถเห็นได้จากพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติในขณะเดียวกันก็มีอีกพวกหนึ่งที่มาร่วมบริจาคเลือดกันพวกนี้ก็เป็นเหมือนพวกเทวดาเป็นพวกมาทำทานทำบุญบริจาคเลือด ที่จะช่วยรักษาผู้ที่บาดเจ็บนี่ก็จิตใจเป็นน่างกายก็เป็นมนุษย์เหมือนกันแต่จิตใจนี้ไม่เป็นไม่เป็นมนุษย์เป็นจิตใจที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความเมตตามีการเสียสละแบ่งปันเลือดที่เป็น สิ่งที่จำเป็นในการรักษาร่างกายของผู้ที่ถูกยิงบาดเจ็บนี่ก็ร่างกายก็เป็นมนุษย์แต่ใจนี้เป็นเทวดาเพราะมีการทำบุญทำทานส่วนผู้ที่ฆ่าผู้อื่นร่างกายก็เป็นมนุษย์แต่ใจนี้ไปเป็นนรกเสียแล้วเป็นสัตว์นรก พรถ้าทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบทาทท่านี้ก็เรียกว่าเป็นใจของสัตว์นรกถ้าทำบาปด้วยความหลงก็เป็นใจของสัตว์เดรัจฉานถ้าทำบาปด้วยความโลภ ก, ก็เป็นใจของเปรตถ้าทำบาปด้วยความกลัวก็เป็นใจของอสุรกาย นี่คือผลที่เกิดจากการทำบาปแต่ถ้ารักษาศีลห้าได้ละเว้นจากการทำบาปได้ก็ถือว่าได้ทำบุญคือได้รักษาความเป็นมนุษย์เอาไว้ได้ถ้าอยากจะเป็นมนุษย์และกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องมีศีลห้าเป็นเหตุ ต้องรักษาศิ่งห้ากันทําบุญด้วยการรักษาศิ่งห้าแล้วก็ถ้าอยากจะยกระดับจิตใจให้มีความสุขมากขึ้นและสูงขึ้นกว่าระดับของเทพพระพุทธเจ้าก็ส่งสอนให้ทําบุญที่เกิดจากการภาวนาการทําบุญที่เกิดจากการภาวนานี้คือการบําเพ็ญ สมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาคำว่าภาวนาก็คือการยกระดับของจิตใจให้สูงขึ้นเพิ่มความสุขของใจให้มีมากขึ้นด้วยการบาเพ็ญสมถะภาวนาขั้นที่หนึ่งขั้นที่หนึ่งนี้ก็จะยกระดับจิตใจให้เป็นจากเทพให้ขึ้นไปเป็น พรผู้ที่บำเพ็ญสมถัภาวนาคือผู้ที่ฝึกสมาธินั่งสมาธิเข้าฌานขั้นต่างๆได้ขั้นรูปฌปานและอรูปฌปานถ้าได้ขั้นรูปฌปานจิตก็จะเป็นรูปประพรมเป็นพรมที่มีรูปถ้าได้อรูปฌปานก็จะได้เป็นพรหมที่ไม่มีรูป นี่คือผลที่จะได้จากการบำเพ็ญภาวนาขั้นที่หนึ่งคือสมถะภาวนาแล้วถ้าอยากจะยกระดับจิตให้สูงกว่าระดับของพรหมก็จเจริญขั้นที่สองของการภาวนาเรียกว่าวิปัสสนาภาวนาคือการจเจริญปัญญาให้มีดวงตาเห็นธรรม ให้เห็นตายรักในสภาวธรรมทั้งปวงว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราและให้เห็นอริยสัจสี่เห็นว่าความทุกข์ใจนั้นเกิดจากการมีความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะความอยากในการมี มีนั่นมีนี่เป็นนั่นเป็นนี่และความอยากไม่มีนั่นไม่มีนี่ไม่เป็นนั่นไม่เป็นนี่ก็จะทำให้เกิดความทุกข์ใจความวุ่นวายใจและจะพาให้ดวงจิตดวงวิญญาณกลับไปเวียนว่ายตายเกิดในใจพบต่อไปเกิดในกามะพบถ้ามีกามะตัญหา เกิดในรูปภพถ้ามีภาวะัญหาเกิดในรูปภพถ้ามีวิภาวะัญหาถ้ามีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าภพต่างๆเหล่านี้เป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนาาัตตาถ้าไม่ต้องการที่จะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดก็ละความอยากทั้งสามนี้ ละความอยากในการละความอยากมีอยากเป็นละความอยากไม่มีอยากไม่เป็นพอละได้แล้วจิตก็จะหลุดออกจากไตรภพไปก็จะเป็นจิตของพระพุทธเจ้าจิตของพระอาหารหันตสาวกจิตที่เป็นนิพพานที่ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดตามมาต่อไป นี่เป็นบุญระดับที่สูงสุดของการทำบุญแต่การที่จะได้ทำบุญเหล่านี้ได้ก็จำเป็นที่ยังต้องมีการกระทำบุญอย่างอื่นด้วยบุญที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ก็คือต้องมีบุญที่เกิดจากการมีความเห็นที่ถูกต้องความเห็นที่ถูกต้องคือเห็นว่าจิตวิญญาณหรือจิตใจของตนนั้นยังติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดอยู่และการที่จะออกจากไตยพพได้จำเป็นที่จะต้องบาเพ็ญ บุญขั้นต่างๆคือบุญที่เกิดจากการทำทานบุญที่เกิดจากการรักษาศีลบุญที่เกิดจากการภาวนาถ้ามีความเห็นที่ถูกต้องแล้วก็จะทำให้มีการกระทาที่ถูกต้องตามมาก็จะมุ่งไปสู่การกระทาบุญทาทานสู่การรักษาศีล สู่การสู่การ ป, ปฏิบัติธรรมคือการบำเพ็ญสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนานี่คือบุญที่เกิดจากการมีความเห็นที่ถูกต้องคือสัมมาทิฏฐิซึ่งน้อยคนจะสามารถมีบุญแบบนี้เกิดขึ้นมาในตนเองได้ยกเว้นคนฉลาด อย่างพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะมีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้องแบบนี้ได้สำหรับปุถุชนสำหรับพวกเราที่ยังไม่มีปัญญาในระดับนั้นพวกเราก็ต้องอาศัยบุญอีกชนิดหนึ่งที่จะสร้างสัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกต้องให้ปรากฏขึ้นมาได้ นั่นก็คือบุญที่เกิดจากการฟังเทศฟังธรรมนั่นเองบุญที่เกิดจากการศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างที่ท่านทั้งหลายกำลังกระทากันในอยู่ขณะนี้การมาฟังเทศฟังธรรมนี้จะทำให้มีความเห็นที่ถูกต้องปรากฏขึ้นมา พคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกบททุกบาทนี้ออกมาจากสัมมาทิฏฐิออกมาจากความเห็นที่ถูกต้องคือความจริงนั่นเองความเห็นที่ถูกต้องของพระพุทธเจ้านี้ตรงกับความจริงทุกประการคำสอนที่เอามาสอนจึงเป็นความจริงที่จะทำให้ผู้ที่ได้ยินได้ฟังได้เรียนรู้ความจริงของ ตนเองว่ากำลังอยู่ในภาวะอย่างไรและกำลังจะไปสู่ภาวะอย่างไรเพราะการกระทาต่างๆของเรานี่เป็นเหตุที่จะพาให้เรานั้นไปเป็นอะไรต่างๆต่อไปแต่ถ้าเราไม่มีสัมมาทิฏฐิไม่มีความเห็นที่ถูกต้อง เราก็จะไม่เห็นเรากลับจะไปเห็นในสิ่งที่มันไม่ได้เป็นความจริงเนเรามักจะอยากจะเห็นว่าเราจะร่ำรวยหรือไม่เราจะเป็นใหญ่เป็นโตรหรือไม่เราจะได้รับรางวัลยกย่องสรรเสริญต่างๆหรือไม่เราจะมีความสุขจากสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่ในโลกนี้หรือไม่นี่เป็นสิ่งที่เราที่ไม่มีสัมมาทิฏฐิจะเห็นกันแล้วก็จะมุ่งไปสู่การหาสิ่งต่างๆเหล่านี้ด้วยการกระทาที่ไม่ได้พาให้เราได้ไปตามที่เราปรารถนากันเพราะถ้าเราไปหา รับสมบัติเข้าของเงินทองหาความร่ำรวยหาตำแหน่งใหญ่โตหารางวัลต่างๆหาสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับเราด้วยวิธีทำบาปแทนที่เราจะไปสู่สภาพที่ดีต่อไปถึงแม้เราจะได้ร่ำรวย ถึงแม้ว่าเราจะได้เป็นใหญ่เป็นโตแต่มันก็เป็นผลชั่วคราวเท่านั้นเองรวยไปจนถึงแค่วันตายพอวันตายแล้วความร่ำรวยที่เราหามาได้มันก็หมดไปเป็นใหญ่เป็นโตขนาดไหนก็ตามพอเวลาร่างกายตายไปแล้วความเป็นใหญ่ความเป็นโตมันก็หมดไป แต่ใจของพวกเรานี้มันไม่ได้ตายไปกับร่างกายและมันเป็นไปตามพฤติกรรมที่เราทำกันถ้าเราทำบาปเพื่อที่จะให้ได้สิ่งต่างๆที่เราอยากได้เช่นทำบาปด้วยความโลภเป้าหมายจุดหมายปลายทางของจิตใจของพวกเราหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้ว ก็จะไปเป็นเปรตกันไม่ได้ไปเป็นเศรษฐีต่อไม่ได้เป็นผู้ผู้มีตำแหน่งสูงใหญ่ต่อไปนี่คือผลที่จะเกิดจากผู้ที่มีมิจฉาทิฏฐิมีมีความเห็นที่ไม่ถูกต้องคิดว่าทำบาปแล้วจะทำให้ร่ำรวย ทำให้เจริญก้าวหน้าเป็นใหญ่เป็นโตซึ่งก็อาจจะได้เป็นทำบาปแล้วรวยกันก็มีเยอะทำบาปแล้วเป็นใหญ่เป็นโตก็มีเยอะเพียงแต่ว่ามันเป็นเพียงชั่วคราวเท่านั้นเองเป็นชั่วขณะที่ร่างกายมีชีวิตอยู่แต่พอหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วนี่ใจนี่ ยังไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจนี่แหละที่จะไปเป็นผู้รับผลของการทำบาปต่อไปถ้าทำบาปด้วยความหลงก็ไปเป็นเดลฉานทำบาปด้วยความโลภ ก, ก็เป็นเปรตทำบาปด้วยความกลัวก็เป็นนสุลกายทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทก็ไปนรก ไปรับผลบุญผ ล, ผลบาปของตนจนกว่าบาปนั้นจะหมดกําลังลงถึงจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่และเวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่ได้กลับมาเกิดเป็นเป็นเศรษฐีเหมือนเดิมเหมือนที่เคยเป็นหรือมาเกิดเป็นผู้ยิ่งใหญ่มีมีตำแหน่งสูงสูงแต่จะกลับมาเกิดเ ป, เป็นผู้อาภัพวาสนา จะกลับมาเกิดยากจนแดนแค้นจะมีรูปร่างหน้าตาผิวพรรณไม่สวยงามจะมีอาการไม่ครบสามสบสองมีโครคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนมีอายุไม่ยืนยาวนานเป็นต้นนี่คือผลที่เกิดจากการทำบาป ในการที่จะหาสิ่งต่างๆที่อยากจะได้กันในขณะที่มีชีวิตอยู่ทำบาพเพื่อให้ร่าให้รวยทำบาพเพื่อให้เป็นใหญ่เป็นโตทำบาพเพื่อให้ได้รางวันต่างๆทำบาพเพื่อให้ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้มาเป็นสมบัติของตนนี่คือความเห็นของผู้ที่ไม่มีสัมมาทิฏฐิ ไม่มีความเห็นที่ถูกต้องเพราะไม่เห็นผลที่จะเกิดขึ้นกับจิตใจของตนเองไปเห็นผลที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายของตนซึ่งเป็นของชั่วคราวอยู่ได้ไม่กี่ปีเดี๋ยวก็ตายไปแต่ใจนี้อยู่นานกว่าไม่ตายและจะต้องรับผลที่เกิดจากการทำบาปยาวนานกว่าหลายหลายร้อยเท่าเลยกัน ถ้าผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้องก็จะไม่กล้าทำบาปนะแล้วก็จะรวยหรือจะจนก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญสําคัญอยู่ที่ว่าใจมีความสุขหรือมีความทุกข์มากกว่าถ้ารวยแล้วใจมีความทุกข์ก็รวยไปทําไมสู้จนแล้วมีความสุขดีกว่าเพราะความสุข ทางจิตใจนี้สำคัญกว่า powers, ความสุขทางร่างกายร่างกายความสุขของร่างกายนี้เป็นส่วนย่อยเมื่อมาเปรียบเทียบกับความสุขของจิตใจที่เป็นส่วนที่ใหญ่กว่าเช่นเดียวกับความทุกข์ของร่างกายกับความทุกข์ของใจก็เช่นเดียวกันความทุกข์ของร่างกายนี้เป็นส่วนย่อยแต่ความทุกข์ของใจนี้เป็นส่วนใหญ่ แลถ้ารู้ว่าอะไรเป็นเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ทางจิตใจผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้องก็จะไม่กล้าทำถ้าต้องทุกข์ทางร่างกายก็ยินดีจะทุกข์ดีกว่าที่จะมากำจัดความทุกข์ทางร่างกายแล้วมาสร้างความทุกข์ทางจิตใจแทนเช่นเวลาอดยาขาดแคลน ไปลักขโมยหรือไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อเอามาเป็นอาหารอย่างชีพอันนี้เป็นการบำบัดความทุกข์ทางร่างกายแต่กับเป็นการไปสร้างความทุกข์ทางจิตใจทำให้จิตใจทุกข์ที่เกิดจากการทำบาปและรับผลของบาปที่ยาวนานกว่ารับผลของความสุขทางร่างกายที่ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องตายไปอยู่ดี ผู้ที่มีความเห็นที่ถูกต้องนี้จะไม่กระทาบาปนะเช่นพระอริยสงสาวกุกทุกรูปนี้ท่านมีดวงตาเห็นธรรมเห็นความที่ความเป็นจริงของเรื่องของจิตใจว่าสุขเกิดจากอะไรและทุกข์เกิดจากอะไรท่านก็จะไม่ทำสิ่งที่จะทำให้ใจเป็นทุกข์ท่านก็จะทำแต่สิ่งที่ทำให้ใจเป็นสุข เช่นทำทานรักษาศีลไม่ทำบาปภาวนาแล้วก็ทำทำบุญอย่างอื่นตามโอกาสเช่นถ้าอยากจะให้ผู้ที่ลงรับไปแล้วมีความสุขก็ทำบุญทำทานแล้วก็อุทิศบุญนั้นให้กับผู้ที่ลงรับไปแล้วถ้ามีผู้ที่อยากจะทำบุญก็ร่วมอนุโมทนาบุญ คือสนับสนุนในการทำบุญของท่านผู้นั้นเช่นเรามีลูกน้องอยากจะบวชอยากจะขอลาบวชเราก็สนับสนุนเปิดโอกาสยินดีให้เขาลาบวชได้และอาจจะให้เงินเดือนด้วยเห็นว่าเป็นการกระทำที่ดีสนับสนุนผู้ที่กระทาความดีเช่นไปบวช อย่างนี้เรียกว่าอนุโมทนาบุญเวลาใครเขาทำบุญอย่าไปขาดขวางอย่าไปห้ามเขาเช่นลาไม่ได้ทาต้องทำงานถ้าจะไปบวชก็ต้องลาออกอย่างนี้เรียกว่าไม่อนุโมทนาถ้าอยากจะอนุโมทนาอยากจะสนับสนุนให้เขามีได้มีโอกาสได้ทำบุญได้ไปบวชก็ อนุญาตให้เขาลาบวชได้และให้เงินเดือนเขาด้วยในขณะที่เขาไปบวชเราก็จะได้บุญได้ความสุขใจที่เราได้สนับสนุนคนให้เป็นคนดีเพราะการไปบวชนี้ไม่ได้ไปทำให้เป็นคนร้ายเพราะไปเรียนดูในสิ่งที่จะทำแต่สิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับตนเองและกับผู้อื่นนั่นเอง เช่นเมืองไทยเราเป็นเมืองพุทธนี่ทางราชการนี้เลยมีการอนุญาตให้ผู้ที่รับราชการลาบวชได้90วันใครรับราชการแล้วถึงเวลาอยากจะบวชนี่ขอลาบวชได้90สวันไม่ตัดเงินเดือนด้วยได้เงินดืวนนี่แหละคือรูปแบบของการอนุโมทนาบุญอนุโมท เวลาที่มีใครที่เกี่ยวข้องกับเร า, เาต้องการาทำบุญแล้วต้องผ่านความเห็นชอบของเราเราควรที่จะส่งเสริมสนับสนุนไม่ใช่ไปห้ามไปขัดขวางเขาเพื่อรักษาประโยชน์ของเราเช่นการงานของเราขาดคนไปก็อาจจะทำให้การงานของเราสะดุดบ้างแต่ถ้าเรามองถึงผลที่ ดีทางจิตใจทั้งกับเขาและกับเราเราก็ควรที่จะอนุโมทนาบุญนี่คือลักษณะที่ความเรื่องของการอนุโมทนาบุญที่เป็นผลจริงๆไม่ใช่เวลาใครไปทำบุญเสร็จกลับมาบอกว่าได้ไปทำบุญมาก็สาธุสาธุกันไปอนนั้นมันก็สาธุแต่ทางปากเท่านั้นเองแต่มันไม่ได้ประโยชน์อะไรทางจิตใจ เพราะเราไม่ได้มีการเสียสละเพื่อทำให้เกิดความสุขของใจของเราขึ้นมาการอนุโ ม, โมทนาบุญที่แท้จริงนี้ต้องเกิดจากการที่เราได้เสียสละประโยชน์สุขของเราเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่นเพื่อให้เขาได้ทำบุญได้ทำสิ่งที่ดีทั้งกับตัวเขาเองและกับผู้อื่นนี่ก็เป็นบุญอีกชนิดหนึ่งเรียกว่าการอนุโมทนาบุญ การอุทิศบุญหลังจากที่เราได้ทำบุญแล้วให้แก่ผู้ที่งล่วงรับไปแล้วก็เป็นการทำบุญอีกวิธีหนึ่งผู้ที่ร่วงรับไปแล้วนี่เขาเขาต้องพึ่งบุญถ้าเขาทำบุญเขาไม่ได้ทำบุญเขาก็ไม่มีบุญติดตัวไปเมื่อไม่มีบุญดวงวิญญาณของเขาเขาก็จะหิวโหยจะไม่มีความสุขถ้าเราอยากจะให้เขาได้มีความสุข เราก็ทำบุญแล้วก็อุทิศบุญไปให้กับเขานะการอุทิศบุญนี้ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้น้ำกรวดนะน้ำนี้เป็นเพียงตัวอย่างของบุญเพราะบุญจริงๆนี้เป็นของที่มองไม่เห็นด้วยได้ด้วยตาเปล่าเป็นความรู้สึกที่มีอยู่ในใจของผู้ที่ทำบุญคือความสุขใจอิ่มใจที่สามารถ อุทิศไปให้กับผู้ที่ไม่มีร่างกายได้การอุทิศก็บุญนี่ก็เป็นเหมือนการส่งกระแส จ, จิตที่มีความอิ่มความสุขนี้ไปให้กับผู้ที่รอรับอยู่นั่นเองทีนี้คนที่ไม่สามารถนึกภาพของบุญออกได้เขาก็เลยให้ใช้น้าแทนเอาน้ำนี้เป็นตัวอย่างของบุญเทน้าออกจากภาชนะหนึ่ง ลงสู่อีกภาชนะหนึ่งก็คือการถ่ายบุญจากจิตใจของผู้ให้ไปสู่จิตใจของผู้รับเนี่ยนั่นคือการอุทิศบุญด้วยการกรวดน้ำแต่จะมีน้ำหรือไม่มีน้ำนี้มันก็ไม่ได้ทำให้การอุทิศบุญนี้ไม่สำเร็จหรือสำเร็จการอุทิศบุญนี้ไม่ต้องใช้น้ำ สมมติว่าถ้าเราทำบุญเสร็จปับ๊บถวายใส่บาทเสร็จปับ๊บเราสามารถที่จะอุทิศบุญได้ทันทีเลยถ้าเป็นบุญที่สดสดร้อนๆดีกว่ารอไปอุทิศในภายหลังเพราะหลังจากนั้นไปแล้วเราก็อาจจะไปทำอะไรต่างๆแล้วก็เกิดจะอาจจะเกิดมีอารมณ์ว่าวุ่นขุนมัว เข้ามากรบบุญที่เราได้ทำไว้ก็ได้บุญไม่ได้หายไปเพียงแต่มันถูกกรบไว้เราก็จะอาจจะต้องใช้เวลาลรเลิกถึงบุญนั้นดึงบุญนั้นกลับขึ้นมาเพื่ออุทิศไปดังนั้นเพื่อเป็นความสะดวกรวดเร็วและไม่หลงลืมพอทำบุญเสร็จก็อุทิศไปภายในใจได้เลยแระเลึกภายในใจว่าขออุทิศบุญส่วนนี้ให้กับบุคคลนั้นบุคคล น, นี้ที่ร่วงลับไปแล้ว ถ้ารอรับบุญส่วนนี้อยู่ก็ขอให้รับไปได้เลยเถิดนี่อันนี้ก็สำเร็จประโยชน์อุทิศบุญได้เสร็จแล้วไม่ต้องใช้น้ำไม่ต้องรอให้พระมาสวดยะถาสัพพีเพราะการสวดของพระนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการอุทิศบุญการสวดของพระนี้เป็นการบอกว่าการทำบุญนี้ได้ประโยชน์อย่างไรเป็นการสอน เป็นการสอนว่าบุญที่ทำนี้เป็นเหมือนสเบียงเป็นเหมือนอาหารของจิตวิญญาณที่สามารถแบ่งให้กับผู้ที่ร่วงลับไปแล้วได้พาะจะสวดหรือไม่สวดก็ไม่ได้ทำให้บุญเรามากขึ้นหรือน้อยลงแต่อย่างใดและเวลาอุทิศจริงๆก็ควรจะอุทิศตอนที่จิตเราสงบดีกว่า มาอุทิศ ต, ตอนที่พระสวดแล้วก็มานั่งแข่งกับพระพระสวดไปอย่างใจก็อุทิศกันไปมันก็เลยชนกันวุ่นวายกันไปความจริงไม่ต้องรอให้พระสวดญาถาสัพพีการสวดนี้เป็นการสอนว่าการทำบุญแล้วมีประโยชน์ได้อย่างนอกจากมีประโยชน์กับตนเองแล้วยังสามารถแบ่งประโยชน์นี้ให้กับผู้ที่ดงรับไปแล้วได้ เท่นั้นเองที่สวดแล้วก็แสดงอนิสงค์ของการทําบุญของผู้ที่ทําบุญว่าจะเจริญด้วยอายุวันณะสุขะพะละเท่นั้นเองไม่ได้มาเป่ามาเสกให้ผู้ที่ทําบุญนั้นเจริญด้วยอายุวันณัสุขะพละเพราะความเจริญนั้นเกิดจากการกระทําของผู้ทําบุญไม่ใช่เกิดจากพระมาสวดมาเป่ามาเสกนี่คือ คือคือสรุปก็คือทำบุญแล้วพระไม่ต้องสวดยาถาสัพพีให้ก็ได้ไม่ต้องให้พรก็ได้เพราะพรมันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติพรเกิดจากการกระทำของของผู้ที่ทำบุญนั่นเองแต่ธรรมเนมียมทากันมาเลยทำให้คนเข้าใจผิดคิดว่าทำบุญแล้วพระไม่สวดยาถาสัพพีให้แล้วไม่ได้บุญบางคนนั่งรออยู่นั่น พระก็ลืมไปพระก็คิดว่าทำบุญเสร็จแล้วได้พรแล้วกลับบ้านได้แล้วเขาก็นั่งรอแ้วต้องถามว่าทาอะไรบอรอให้พรบออ๋พอพรให้ไปแล้วให้ตั้งแต่ตอนที่โยมใส่บาตรนู่นอนะโยมใส่บาตรเสร็จปั๊บโยมก็ได้รับพรก็คืออ น, นิสงส์ที่เกิดจากการทำบุญของโยมนั่นเองนะฉะนั้นนี่คือเรื่องของการทาบุญและอุทิศบุญ และบุญอีกอย่างที่เราควรจะทำกันถ้ามีโอกาสก็คือการรับใช้หรือการช่วยเหลือผู้อื่นเช่นการรับใช้ผู้ที่มีพระคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์หรือช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากช่วยแลมีการสังคมสงเคราะห์ทำงานให้เกิดประโยชน์กับส่วนรวมอันนี้ก็เป็นบุญ ไม่ใช่ว่าจำเป็นจะต้องใช้เงินทองทำบุญเพียงอย่างเดียวผู้ที่ไม่มีเงินทองก็สามารถทำบุญได้ด้วยการเสียสละเวลาของตนเองมาทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นมาช่วยเหลือผู้อื่นหรือมารับใช้ผู้อื่นอันนี้ก็เป็นบุญอีกอย่างหนึ่งบุญอีกอย่างที่เราสามารถทำกันได้ก็คือบุญที่เกิดจากการมี ความอ่อนน้อมถ่อมตนมีสัมมาคารวะการเป็นผู้มีอ่อนน้อมถ่อมตนนี้ไม่ว่าจะไปอยู่กับใครจะไปพบกับใครก็จะไม่มีใครรังเกียจจะมีแต่คนยินดีต้อนรับจะทำให้เวลาเราพบปะกับผู้อื่นนั้นเราจะมีความสุขใจสบายใจถ้าขาดสัมมาคารวะขาด ความอ่อนน้อมถ่อมตนก็อาจจะเกิดมีความรังเกียจจากผู้อื่นได้เวลาผู้อื่นรังเกียจเราเราก็จะมีความรู้สึกไม่สบายใจฉะนั้นถ้าอยากจะให้คนเขารักเราชอบเราไม่รังเกียจเราขอให้เรามีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีสัมมาคารวะรู้จักที่สูงที่ต่ำแล้วเราจะมีความสุขเวลาที่เราเกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆ แล้วบุญชนิดสุดท้ายก็คือบุญที่เกิดจากการให้ทำแก่ผู้อื่นถ้าเราศึกษาเราปฏิบัติธรรมแล้วเราได้บรรลุถึงธรรมขั้นต่างๆเราก็สามารถที่จะเอาธรรมขั้นเหล่านั้นมาเผยแผ่มาสั่งสอนให้กับผู้อื่นได้ผู้ที่ไม่รู้ธรรมเมื่อได้ยินได้ฟังได้ศึกษาได้น้อมนําเอาไปปฏิบัติ ก็จะสามารถบรรลุธรรมขึ้นมาได้แล้วก็จะได้รับความสุขได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆจากการที่ได้มีการบรรลุธรรมขั้นต่างๆนั่นเองนี่คือเรื่องของการทําบุญชนิดต่างๆการทําบุญนี้ก็คือการหาความสุขให้กับใจเรานั่นเองเป็นความสุขที่ปลอดภัยจากความทุกข์ เป็นความสุขที่สะอาดบริสุทธิ์ไม่เหมือนกับความสุขที่เราหาจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นลาบยศสรรเสริญหรือเป็นความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสผลพระชนิดต่างๆความสุขที่เราได้จากสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นความสุขที่มีความทุกข์แฝงอยู่มีความทุกข์ที่ซ่อนอยู่เพราะว่าสิ่งต่างๆที่เราหากันนี้ มันเป็นของที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนนั่นเองเป็นอนิจจังพอมันเป็นอนิจจังมันก็จะมีทุกข์ขังตามมาพอสิ่งที่ให้ความสุขกเราเสื่อมไปหมดไปความสุขที่ได้ก็จะหายไปความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่ทันทีฉะนั้นอย่าไปหาความสุขจากการหาสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะจะทําให้เราจะต้อง เสียอกเสียใจเศร้าโศกเสียใจในภายหลังเวลาที่สิ่งต่างๆที่ให้ความสุขกับเรานั้นหมดไปหรือจากเราไปหรือเวลาที่เราจะต้องจากเขาไปเพราะเราอยู่ในโลกของความไม่เที่ยงแท้แน่นอนทุกคนเราเกิดมาแล้วย่อมมีการพัดพรากจากกันเป็นธรรมดาล่วงพ้นการพัดพรากจากกันไปไม่ได้ ถ้าเรามาหาความสุขจากสิ่งต่างๆจากบุคคลต่างๆไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องมีการพัดพาคจากกันเวลาเกิดการพัดพลาคจากกันก็จะเกิดความเศร้าโศกเสียใจนี่ยนี่เป็นวิธีไม่ไม่ไม่ใช่วิธีหาความสุขที่ปลอดภัยจากความทุกข์ถ้าอยากจะมีความสุขให้มาหาความสุขจาก การทำบุญชนิดต่างๆดีกว่าทำบุญทำทานรักษาศีลโดยเฉพาะการหาความสุขจากการบำเพ็ญจิตภาวนาอันนี้จะเป็นวิธีที่หาความสุขที่มั่นคงและยั่งยืนและถาวรที่จะทำให้เรานี้ไม่ต้องมาร้องห่มร้องไห้ไม่ต้องมาเศร้าโศกเสียใจไม่ต้องมาซึมเศร้าไม่ต้องมาเครียด ก็เป็นความสุขที่เราหาภายในใจของเราเองเราไม่ต้องอาศัยสิ่งภายนอกใจของเราเป็นเครื่องมือให้ความสุขกับเราถ้าเราต้องอาศัยสิ่งภายนอกเราก็ต้องอาศัยร่างกายร่างกายก็เราก็อาศัยไม่ได้ไปตลอดร่างกายก็จะต้องเจอวันแก่วันเจ็บวันตายพอเวลาร่างกาย ไม่สามารถหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ได้เวลานั้นใจของเราก็จะมีแต่ความซึมเศร้ามีแต่ความทรมานใจมีแต่ความว้าเหวแต่ถ้าเรามาหาความสุขจากการทำใจให้สงบด้วยการบำเพ็ญจิตตภาวนาเราจะสามารถมีความสุขได้ตลอดเวลาทุกสถานที่ทุกทุก ทุกสถานภาพของร่างกายร่างกายจะแก่ไม่แก่ก็มีความสุขได้ร่างกายจะเจ็บหรือไม่เจ็บก็มีความสุขได้ร่างกายจะตายหรือไม่ตายก็จะมีความสุขได้นี่แหละคือการหาความสุขที่พระพุทธเจ้าส่งสอนให้พวกเราหากันให้เรามาหาความสุขจากการทาใจให้สงบดีกว่า การจะทำใจให้สงบได้เราก็ต้องอาศัยการรักษาศีลคือศีล8ดขึ้นไปศีลห้า น, นี้ไม่มีกำลังพอที่จะสนับสนุนในการมาบำเพ็ญจิตตภาวนาต้องอาศัยศีล8เพราะศีล8จะห้ามไม่ให้เราไปทำกิจกรรมทางหาความสุขทางร่างกายกันนั่นเองศีลก็สของศีล8ดก็จะเปลี่ยนจาก าการเมสุมิฉาจารามาเป็นอ布拉มจริยเราเมรัมณีคือถ้าสื้อสินห้าก็ยังร่วมหลับนอนกับคู่คร อ, องของตนได้แต่ถ้าจะมาบำเพ็ญจิตตภาวนาก็ต้องถือสินแปดต้องละเว้นจากการร่วมหลับนอนกับคู่ครองกับทุกคนไม่ว่าจะเป็นคู่คร อ, องของตนหรือไม่ก็ตาม พเพราะจะได้เอาเวลาที่ไปร่วมหลับนอนไปหาความสุขจากการร่วมหลับนอนกันมาบำเพ็ญจิตตภาวนามาฝึกสติมาสร้างสมาธิให้เกิดขึ้นนั่นเองถ้าไม่ถือศีลแปดก็เดี๋ยวพอเกิดมีอารมณ์เหงาว่าเวก็อยากจะร่วมหลับนอนกับแฟนขึ้นมาก็จะไม่ได้เอาเวลาไปฝึกจิตไปทำไปหาความสุขที่เกิดจากความสงบ ผู้ที่ต้องการที่จะหาความสงบจากจิตใจจากการทำจิตใจให้สงบหาความสุขนี้จาเป็นที่จะต้องละการหาความสุขผ่านทางร่างกายไม่ร่วมหลับนอนกับแฟนแล้วก็ไม่รับประทานอาหารมากจนเกินไปคือไม่รับประทานอาหารเพื่อให้เป็นเพื่ อ, เ พ, อเพื่อสร้างความสุขให้กับใจ ให้รับประทานอาหารเพื่อเลี้ยงดูร่างกายก็พอการรับประทานอาหารเพื่อเลี้ยงร่างกายนี้รับเพียงวันละมือสองมือก็เหลือเฟือแล้วไม่ตอ้องรับประทานตั้งสามมือไม่ต้องรับประทานมือเย็นก็อยู่ได้รับแค่รับประทานอาหารเพียงเที่ยงวันก็พอเพียงเพื่อที่จะได้ไม่ต้องมากังวลเกี่ยวกับเรื่องการรอรับประทานอาหาร ยังกังวลกับเรื่องการรับประทานอาหารอยู่การจะไปฝึกจิตทำจิตให้สงบมันก็จะไม่ราบรื่นเพราะมันรู้ว่าเดี๋ยวจะต้องมีด่านอยู่ข้างหน้าจะต้องหยุดอีกแล้วเดี๋ยวจะต้องเดินนั่งสมาธิได้แป๊บเดียวเดี๋ยวต้องกลับมารับประทานอาหาร อ, าารอีกแล้วก็เลยตัดปัญหาตัดด่านที่ขวางขวางทางให้ออกไปด้วยการยกเลิกการรับประทานอาหารมื้อเย็นไป เพื่อการบําเพ็ญจิตธรรมนาจะได้เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นได้อย่างยาวนานเพราะถ้าหลังจากเที่ยงวันไปแล้วเราก็ไม่ต้องมากังวลเรื่องรับประทานอาหารเราก็จะสามารถเริ่มปฏิบัติทําได้หลังจากเที่ยงวันไปแล้วไปเดินจงกรมเพื่อคลายความง่วงนอนก่อนพ่าเวลารับรับประทานอาหารเสร็จใหม่ๆก็จะรู้สึกง่วง ก็ใช้การเดินจงกรมเป็นวิธีแก้ง่วงไปดีกว่าไปนอนเพราะว่านอนจะไม่ได้รับประโยชน์ทางจิตใจเท่ากับการเดินจงกรมเดินจงกรมนี้นอกจากคลายความง่วงแล้วยังทำให้มีสติเพราะการเดินจงกรมเราต้องเดินด้วยการมีสติฝึกสติด้วยการเดินจงกรมการจะนั่งสมาธิทาจิตให้สงบจาเป็นจะต้องมีสติก่อน ถ้าสติไม่มีนั่งไปจิตก็จะไม่สงบนั่งไปจิตก็จะคิดเรื่องนั่นเรื่องนี้ไปนั่งไปเดี๋ยวไม่นานก็รู้สึกเจ็บรู้สึกปวดขึ้นมาก็จะทนนั่งต่อไปไม่ได้ถ้าฝึกสติก่อนที่จะมานั่งสมาธิได้พอเวลาเวลาเดินจงกรมจะกระทั่งรู้สึกเมื่อยรู้สึกหายง่วงแล้วมีสติอยู่กับตัวตลอดเวลาแล้วควบคุมความคิดได้แล้ว พอเวลาไปนั่งก็จะทำให้นั่งได้สงบอย่างรวดเร็วและง่ายดายแล้วพอสงบแล้วก็นั่งไปได้นานเลยจิตจะไม่รู้จักรู้สึกเจ็บปวดกับความเจ็บปวดของทางร่างกายความเจ็บปวดของร่างกายก็ไม่หนักหนาสาหัสไม่เหมือนตอนที่จิตไม่สงบตอนที่จิตไม่สงบนี่มีอะไรเจ็บตรงนั้นนิดก็กลายเป็นเรื่องปัญหาขึ้นมาได้แต่ถ้าจิตที่สงบแล้วนี่ ความเจ็บของทางร่างกายนี้จะรู้สึกเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่ไม่เป็นประเด็นสำคัญไม่มาขัดขวางการหาความสุขทางใจจากการทาใจให้สงบได้นี่คือการรับประทานอาหารไม่ควรรับประทานมากเกินไปรับประทานพอเลี้ยงดูร่างกายได้ก็พอเอาเวลามาหาอาหารคือความสงบให้กับใจดีกว่า เราก็ต้องละเว้นจากการดูมอหรสุบบันเทิงต่างๆคือละเว้นการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายผู้ที่อยากจะขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นพรหมนี้ต้องละความสุขของสวรรค์ชั้นเทพสวรรค์ชั้นเทพนี้ยังสเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆอยู่แต่สำหรับสวรรค์ชั้นพรหมนี้ท่านเสพความสงบ การเสพฌานรูปฌา น, ก, านกับรูปฌานนะนั้นต้องละเว้นจากการดูมหโหสพบันเทิงต่างๆละเว้นจากการเสริมสวยความงามของทางร่างกายเพราะไม่มีความจำเป็นเพราะไม่ได้ออกไปไหนผู้ที่จะมาบําเพ็ญจิตตภาวนานี้มักจะไปปีกวิเวกอยู่คนเดียวไม่ต้องการที่อยู่ใกล้กับ คนต่างๆเพราะจะมารบกวนในการทําจิตใจให้สงบยังไม่มีความจําเป็นที่จะต้องเสริมสวยความงามทางร่างกายไม่ต้องมีเสื้อผ้าสวยๆงามๆไว้สวมใส่ไม่ต้องอทําหน้าทาปากแต่งผมใส่น้ํามันน้ําหอมอะไรต่างๆจ ะ, จะได้ไม่เสียเวลาเอาเวลามาจเจริญสติดีกว่ามาเดินจงกรมมานั่งสมาธิแทน แล้วก็ไม่ให้หลับนอนมากจนเกินไปศีลข้อ8คือวิธีไม่นอนมากเกินไปก็อย่าไปนอนบนเตียงที่เป็นเตียงสํารานเตียงมโหรารเตรียงที่มีฟูกหนาๆ น, นอนแล้วอยากจะนอนนานๆให้นอนบนพื้นแข็งๆจะได้นอนไม่มากเวลาร่างกายได้พักผ่อนหลับนอนพอแล้วมันจะตื่นขึ้นมา พอเวลาถ้าตื่นขึ้นมาแล้วยังอยู่บนเตียงที่นุ่มที่สบายก็อยากไม่อยากจะลุกก็ขอนอนต่ออีกสามสี่ชั่วโมงแต่ถ้านอนบนพื้นแข็งๆนี่พอร่างกายพักผ่อนหลับนอนพอแล้วพอรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาก็จะไม่อยากจะนอนต่อไปก็จะลุกขึ้นมาเพื่อที่จะได้มานั่งสมาธิมาฝึกสติต่อไปนี่คือสิ่งที่เราจําเป็นที่จะต้องมี ถ้าเราอยากจะหาความสุขชนิดที่มั่นคงที่ยั่งยืนและถาวรเื่อที่เราจะได้ไม่ต้องมามีความทุกข์มีความเศร้าโศกเสียใจมีความซึมเศร้ามีความเครียดนะก็คือให้เราเลิกหาความสุขจากสิ่งต่างๆจากบุคคลต่างๆไปเพราะสิ่งต่างๆบุคคลต่างๆเป็นของไม่แน่นอน บางทีเขาก็อยู่กับเราบางทีเขาก็ไม่อยู่กับเราเร่างกายของเราก็ไม่แน่นอนบางทีก็แข็งแรงบางทีก็ไม่แข็งแรงบางทีก็เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วบางทีก็จะตายอันนี้อย่าไปหาความสุขที่ต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้เพราะจะทำให้เราจะต้องผิดหวังจะทำทำให้เราต้องเศร้าโศกเสียใจให้มาหาความสุขที่มั่นคง ที่ไม่มีปัญหาดีกว่าคือความสุขทางใจเพราะใจนี้ไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตายใจนี้ถ้าสามารถสร้างความสงบสร้างความสุขให้กับใจได้แล้วความสุขความสงบนั้นก็จะอยู่คู่กับใจไปเรื่อยๆแล้วถ้ามันเสื่อมก็สามารถเติมไดถ้ถ้ายังอยู่ในความสงบ อยู่ในความสุขขั้ น, นต้นคือขั้นสมาธินี้ยังต้องคอยเติมอยู่เรื่อยๆเพราะว่ายังเป็นความสุขที่เสื่อมได้เวลาเข้าสมาธิก็เกิดความสุขขึ้นมาแต่เราก็ต้องถอนออกจากสมาธิเพราะเรายังมีภาระรับผิดชอบกับร่างกายร่างกายยังต้องให้เราพาไปขับถ่ายพาไปหาอาหารไปหาน้ามาดื่มมารับประทานอยู่ งั้นการที่จะให้จิตสงบในอยู่ในสมาธิไปตลอดเวลาย่อมเป็นไปไม่ได้ก็ต้องมีเวลาออกจากสมาธิมาเพื่อมาดูแลร่างกายพอออกมาจิตก็เริ่มคิดปรุงแต่งความสงบที่ได้ก็จะค่อยๆจางหายไปได้พอรู้สึกว่ามันหมดก็ต้องกลับเข้าไปเติมใหม่แต่อย่างน้อยก็ยังเติมได้ดีกว่าความสุขที่ได้จากคนนั้นคนนี้ พอเสียคนนั้นคนนี้ไปแล้วเอาเขากลับมาไม่ได้แล้วกว่าจะได้คนใหม่ก็กไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้อะนนั้นสู้หาความสุขแบบหาจากใจของเราดีกว่าที่เราสามารถหาได้ตลอดเวลาอาันนี้เป็นความสุขเบื้องต้นจากการที่เราฝึกสติคือคอยควบคุมใจไม่ให้คิดปรุงแต่งถึงเรื่องราวต่างๆ ด้วยการใช้กรรมฐานบทใดบทหนึ่งมาเป็นตัวบังคับจนใช้คำบริกรรมพุทโธพุทโธถ้าเราหมั่นท่องพุทโธพุทโธอยู่เรื่อยๆเราจะห้ามความคิดต่างๆได้แล้วเวลาเรานั่งสมาธิเราก็จะสามารถใช้พุทโธนี้นำใจให้เข้าสู่ความสงบได้พอใจสงบแล้วก็เหมือนได้ไปเที่ยวเมืองนอกได้ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆที่เราอยากจะไป แล้วก็เป็นความสุขที่ดีกว่าสบายกว่าเพราะไม่ต้องใช้ร่างกายความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวเมืองนอกนี้กว่าจะได้ไปนี้ก็เหน็ดเหนื่อยต้องเตรียมข้าวเตรียมของเตรียมเสื้อผ้าเตรียมยองที่พักเตรียมตัว๋วเดินทางจองตัว๋วเครื่องบินอะไรต่างๆมากมายกว่าจะไปได้แต่การจะไปแต่ทางสมาธินี้เดี๋ยวหาที่ เงียบๆนั่งหลับตาห้านาทีสิบนาทีก็ไปถึงแล้วนี่คือความแตกต่างของการหาความสุขผ่านทางร่างกายกับผ่านทางจิตใจผ่านทางจิตใจนี่ง่ายกว่าไม่วุ่นวายไม่ยุ่งยากไม่ต้องใช้เงินทองไม่ต้องใช้ร่างกายหาความสุขทางร่างกายนี้ต้องใช้ร่างกายที่แข็งแรงต้องมีเงินทองจ่ายค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆ ต้องมีเอกสารเดินทางต่างๆให้พร้อ ม, ใ ห, อมให้ครบถึงจะไปได้นี่คือการเปรียบเทียบวิธีการหาความสุขของพวกเรากับวิธีการหาความสุขของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าหาความสุขแบบสะดวกง่ายดายและรวดเร็วและมั่นคงสามารถหาได้ทุกเวลาถ้ารู้จักวิธีเข้าสมาธิแล้วนี้สามารถเข้าสมาธิได้ทุกเวลา เวลาใดอยากจะไปเที่ยวก็เข้าสมาธิไปก็จะได้ความสุขที่ดีกว่าจากการที่ได้ไปเที่ยวแล้วก็ไม่ต้องมาวุ่นวายกับการที่จะต้องไปคอยหาเงินหาทองเพื่อที่จะได้มีเงินทองไปเที่ยวอยู่เรื่อยๆการหาเงินหาทองก็ต้องมีความเครียดมีเรื่องมีราวตามมามีอุปสรรคมีอะไรต่างๆตามมามีเรื่องว่าวุ่นวายใจตามมา สู้หาความสุขจากการมาทำใจให้สงบดีกว่าเพียงแต่ว่าเราต้องยอมเสียสละความสุขทางร่างกายไปด้วยการมาถือศีลแปดแล้วก็ต้องไปปีกวิเวกอยู่คนเดียวต้องอยู่ห่างไกลจากคนห่างไกลจากเหตุการณ์ต่างๆเพราะถ้าอยู่ใกล้แล้วเหตุการณ์หรือคนจะมาก่อกวนใจมาทำให้จิตใจเราวุ่นวายจะทำให้เราไม่สามารถควบคุมใจให้สงบได้ แต่ถ้าเราไปปีกวิเวกไปอยู่คนเดียวไม่มีเรื่องมีราวไม่มีคนไม่มีอะไรมาลบกวนใจเราก็จะสามารถควบคุมใจให้สงบให้นิ่งให้มีความสุขได้อย่างง่ายดายนี่คือการหาความสุขที่ปลอดภัยจากความทุกข์คือหาความสุขจากการภาวนาการภาวนาก็แบ่งเป็นสองระดับระดับชั่วขาวกับระดับทาวร ระดับแรกที่เรียกว่าสมถภาวานานี้ก็เป็นระดับชั่วคราวระดับที่ง่ายกว่าระดับที่ถาวรเพราะเพียงแต่ใช้สติใช้กรรมฐานเพื่อหยุดความคิดทำจิตให้สงบเท่านั้นวิธีเจริญกรรมฐานก็ง่ายคําเดียวท่านันคือพุทโธพุทโธท่องไปหรือถ้าเราคิดว่ามันสั้นเกินไปอยากจะท่องให้มันยาวก็สวดเป็นอิติปิโสไปก็ได้ สวดอิติปิโสไปหลายๆจบสวดไปจนกว่าใจจะเบาใจจะว่างแล้วก็มาดูลมหายใจต่อเพ่งดูลมเข้าลมออกไปเดี๋ยวใจพอหยุดคิดแล้วใจก็จะเนิ่งสงบแล้วก็จะได้พบกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงที่เรียกว่านาัตติสันติปรังสุขขังสุขที่เหนือกว่าความสงบไม่มีนี่แหละคือความสุขที่วิเศษ ว่าเป็นความสุขที่เราสามารถควบคุมบังคับได้เป็นของเราเป็นนิจจังสุขขังอัตตาแต่เบื้องต้นนี้ยังเป็นความสุขชั่วคราวอยู่ความสุขที่ได้จากสตินี้เป็นความสุขชั่วคราวถ้าอยากจะเปลี่ยนความสุขชั่วคราวให้เป็นความสุขถาวรก็ต้องเจริญขั้นที่สองคือขั้นวิปัสนาการวิปัสนาก็คือจะสอนให้เราให้เกิดปัญญาให้มีดวงตาเห็นธรรม ให้รู้ว่าความสงบของเรานี้จะถูกทำลายด้วยความอยากของเราถ้าเรายังอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสอยู่มันก็จะทำให้ใจเรากระเพิ่มขึ้นมาถ้าเราไม่ไม่อยากให้ใจกระเพิ่มอยากให้ใจนิ่งสงบเหมือนเดิมเราก็ต้องหยุดความอยากไปเสพรูปเสียงกลิ่นรส ด, ด้วยการเห็นตายลักเห็นว่ารูปเสียงกลิ่นรสนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา พอ เ, เห็นว่ามันเป็นทุกข์เราก็จะไม่อยากไปเสพความอยากเสพมันก็จะหายไปตัวที่จะมาสร้างความกับเพื่อไม่กับใจก็จะหายไปใจก็จะสงบไปตลอดต่อไปถ้าใช้ปัญญาสอนใจค่อยหยุดความอยากทุกครั้งที่ใจอยากได้อะไรพิจารณาสิ่งที่อยากได้ให้เห็นว่าเป็นตายรักษณแล้วเราก็จะไม่อยากได้ เห็นว่าสิ่งที่เราได้มาเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วจะต้องทำให้เราทุกข์เราก็จะไม่อยากได้เหมือนถ้าเรารู้ว่าอาหารที่เราจะรับประทานนี้จะทำให้ท้องเสียเราก็จะไม่อยากรับประทานแต่ถ้าเราไม่รู้เราก็จะรับประทานเพราะเห็นแล้วมันน่ากินมันอริดอร่อยแต่พอกินไปแล้วมันรู้ภายหลังแต่มันก็สายไปเสียแล้วแต่ถ้าเรารู้ล่วงหน้าก่อนว่าอาหารรานี้ถ้ากินแล้วท้องเสีย เราก็ไม่ไปกินอาหารนั่นนี่ต่อไปแต่ใดสิ่งต่างๆที่ใจอยากจะได้อยากจะได้มาให้ความสุขก็เป็นอันที่จังทุกขขังอนัตตาท้งนั้นจะต้องทำให้ใจจะต้องทำให้เกิดความเสียใจตามมาในภายหลังถ้าเห็นด้วยปัญญามีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราหากันอยู่ในโลกนี้เป็นทุกข์เราก็จะเลิกหาจะเลิกอยากได้ พอไม่มีความอยากได้ก็จะไม่มีอะไรมากระเพิ่มใจต่อไปใจก็จะนิ่งสงบเป็นความสุขไปตลอดเนี่ยใจที่นิ่งสงบไปตลอดนี่เราเรียกว่านิพานเนี่ยนิพานเป็นบร ม, มสุขนิบานังปรมัมสุขขังนี่เองคือใจที่สงบใจที่ไม่ต้องมีความทุกข์ใจที่อิ่มที่พอไม่หิวกับอะไรอีกต่อไปเมื่อไม่หิวก็ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ เมื่อไม่หิวกับรูปเสียงกลิ่นรสไม่ไม่หิวกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ใจก็ไม่ต้องมามีร่างกายการที่พวกเรายังมีร่างกายกันอยู่ก็เพราะเรายังอยากได้ลาบยศสะละเสรนยังอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสกันอยู่นั่นเองแต่พอเราทำใจของเราให้สงบอย่างถาวรให้อิ่มอย่างถาวรแล้วใจของเราก็ไม่มีความอยากจะได้อะไรจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ต่อไป เพราะรู้ว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้มันเป็นตายรักนั่นเองเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดเมื่อไม่เกิดก็ไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายทุกย่อมมีแก่ผู้ไม่เกิดเท่านั้นถ้าเราไม่อยากจะมีความทุกข์เราก็ต้องหยุดการเกิดให้ได้การจะหยุดการเกิดให้ได้เราก็ต้องหยุดความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราให้ได้ การจะหยุดได้ก็ต้องมีดวงตาเห็นธรรมเห็นใจรักเห็นอริยสัจ ส, สี่นั่นเองพอเห็นแล้วเราก็จะทําให้ความทุกข์ต่างๆความอยากต่างๆหมดไปจากใจใจของเราก็จะอิ่มจะพอแล้วก็ไม่มาเกิดอีกต่อไปนี่คือเรื่องของบุญที่พระพุทธเจ้าทรงได้บําเพ็ญและได้นําเอามาสอนพวกเราถ้าพวกเราอยากจะได้บุญ เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้สงได้ก็ขอให้เราทำตามที่พุทธเจ้าสงสอนน้เถิดคือมาหัดภาวนากันมาหัดรักษาศีลแปดกันแล้วก็มาหัดฝึกสมาธินั่งสมาธิทำใจให้สงบแล้วก็สอนใจให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นไตรลักษณ์แล้วต่อไปใจของเราก็จะเป็นเหมือนกับของพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอน นี่คือเรื่องของบุญที่เอามาฝากท่านในวันกำไรบุญในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถาวาเรวะฮาปุราปาริปุเรนติสาขลังเอวเมวะอิตุทินังเปตานาังอุ ป, ปกาปติ อิทิตังปฏทิตังตุมหังคิดเปเมวาสมิจฉาตุสัพเพบริยนตุสังกปาจันโทปนาราโสยถามณิโชติราโสยทาสัะพิทยาวิวัจจันตุสัพพโรโควินาศตุ มาเตภวะโตอันตราโยสุขีทีขายุโกภวะภิวาทนาสีฤทสานิจังวุฒาปจายโนจตารโหธรรมาวัฏานติอายุวโนสุขังภาลั ต่อไปนี้เป็นช่วงถามคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะหลังจากที่เลิกแล้วก็จะของดถามเพราะไม่สะดวกมีงานอย่างอื่นต้องทำต่อถ้าอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้ถ้าไม่ถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้ผู้ติด ต, ตามทางบ้านมีเท่าไหร่ วันนี้ทา Facebook เข้ามา507 YouTube 352วิทยวออนไลน์17รับฟังข้างบนนี้139คนรวมทั้งหมด 1,015 ครับ ค, คำถามจากคุณน้ำหลังจากที่ได้ฟังธรรมจากพระอาจารย์แล้วมีความเข้าใจและซาบซึ้งในรถพระธรรมจิตเป็นกุศล น, นี้สามารถอุทิศบุญให้แก่ผู้ที่ร่วงลับไปแล้วได้ไหมครับ คือพระพุทธเจ้าสอนวิธีอุทิศบุญเพียงวิธีเดียวคือการทำทานฉะนั้นบุญอย่างอื่นนี้ก็เลยไม่ทราบว่าอุทิศได้หรือไม่ได้แต่ที่แน่นอนถ้าอยากจะอุทิศก็อุทิศด้วยการทำทานคำถามจากคุณสู้ไม่ถอยการรู้ว่าระจิตของสัตว์นี้เป็นของพระอระหันต์เท่านั้นหรือไม่ครับต่ำกว่านี้จะสามารถรู้ได้หรือไม่แล้วอนังคัต สัญยานนี้เป็นเหมือนกันไหมครับคือการอ่านวรจิตนี้เป็นอภินยาความสามารถที่เกิดจากการเข้าอุปจารสมาธิได้ฉั้นไม่จำเป็นจะต้องเป็นพระอริยะบุคคลหลวงปู่มานี่ท่านก็อ่านวรจิตของผู้อื่นได้ตั้งแต่ท่านยังไม่ได้บรรลุธรรมช่วงที่ท่านไปบปําเพ็ญอยู่ที่นครนายกน้ำตกใส ย, ยกน้ำตกน่ที่ไหนไม่ทราบรู้สึก ที่นครนายกเนี่ยแล้วท่านไปพบพระรูปหนึ่งท่านท่านพักบนเขาส่วนพระอาจารย์มั่นท่านพักบนเขาแล้วพระอีกรูปหนึ่งท่านพักอยู่ที่ตีนเขาแล้วเวลาหนวงปู่มั่นเข้าสมาธิตอนคืนจิตท่านก็ส่งไปรับลูกความคิดของพระที่อยู่ที่ตีนเขาได้เพราะนั้นท่านกําลังคิดถึงครอบครัวกําลังกังวลกับลูกกับเมียอยู่ พอตอนเช้าหลวงปู่มั่นก็อยากจะเตือนก็เลยบอกว่าไปกังวลกับลูกเมียทําไมเขาก็อยู่ของเขาเราก็อยู่ของเราพอรู้ว่าท่านอ่านวรรจิตได้หลวงตาตรนนั้นก็เพ่นนี้เลยไม่กค้อยนะตอนนั้นหลวงปู่มั่นท่านก็ยังไม่ได้บรรลุเป็นพระอล้วนั้นมันเป็นเรื่องของสมาธิขั้นอุปจารสมาธิ ถ้ากายเข้าอุปจารสมาธิได้นี้ก็มีอภิน ญ, ญามีความสามารถที่สามารถที่จะติดต่อกับกายทิพย์ได้ติดต่อกับเทวดาได้อะไรต่างๆได้ส่วนคําถามมีคําถามหนึ่งนั้นที่เป็นภาษาบาลีต้องขอผ่านเพราะไม่ไม่เข้าใจความหมายคําถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามตอนนี้พิจารณาอาการสามสิบสองกลับไปกลับมา เพื่อให้จิตตามเห็นรูปและพิจารณาลมหายใจเข้าออกเห็นการไหลไปของลมพบว่าลมไม่ได้เข้าออกแค่รูจมูกแต่เกิดหลายส่วนของร่างกายตามที่ลมเคลื่อนไปเช่นหลังหัวหน้าแขนเป็นต้นพบว่าอาการ32เป็นดินและน้ำส่วนลมหายใจคือลมจึงสงสัยว่าไฟต้องพิจารณาตรงไหนครับไฟก็คือความร้อนไง ความนอนของร่างกายหรืออุณหภูมิร่างกายนี้จะมีความอุณหภูมิที่สูงกว่าอุณหภูมิของอส่วนอื่นร่างกายของคนเป็นกับร่างกายคนตายนี้จะต่างกันคนตายนี้จะเย็นร่างกายเพราะไฟนี้หมดไปธาตุไฟหมดไปร่างกายของคนมีชีวิตอยู่นี้จะมีธาตุไฟหล่อเลี้ยงทั่วทั้งร่างกาย คำถามจากคุณนกการจะเป็นพระอริยบุคคลต้องมีดวงตาเห็นธรรมขอความเมตตาพระอาจารย์อธิบายคำว่าดวงตาเห็นธรรมครับหากเราเข้าใจในไตรลักษณ์เกรงกลัวต่อบาปแบบนี้ถือว่ามีดวงตาเห็นธรรมหรือยังครับยังไม่เห็นนั้นยังเป็นความจำอยู่ยังไม่เป็นความจรงิงการมีดวงตาเห็นธรรมนี้ต้องเห็นแบบสดสดร้อนๆ เห็นว่าตอนนี้ร่างกายจะตายเลื่อนร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วสามารถเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวผู้เห็นผู้เห็นคือใจไม่ได้ไม่ได้ตายไม่ได้เจ็บไปกับร่างกายร่างกายจะเจ็บจะตายใจไม่หวั่นไหวไม่เดือดร้อนอย่างนั้นนะถึงจะเรียกว่าเห็นมีดวงตาเห็นธรรม ตอนที่เราได้ยินได้ฟังและคิดนี้เรายังไม่ได้เห็นความจริงเพราะล่างความจริงของร่างกายยังไม่ปรากฏให้เราเห็นนั่นเองว่าตอนนี้ร่างกายยังไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยแต่อย่างไดถ้าลองตอนนี้เริ่มเป็นหวัดดูแล้วดูซิว่าใจจะคิดอย่างไรถ้าเริ่มคิดวุ้ยเป็นโลคหวัดหรือเปล่าจะตายหรือเปล่าวุ่นวายใจกินไม่ได้นอนไม่หลับนี่ก็ไม่มีดวงตาเห็นธรรม เพราะถ้าการมีดวงเห็นธรรมต้องเห็นว่าร่างกายไม่ได้เป็นเราเราเป็นผู้เลี้ยงร่างกายดูแลร่างกายเวลาร่างกายจะตายเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราเป็นผู้รู้ผู้คิดเราก็เฉยๆเหมือนกับไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นถึงจะเรียกว่ามีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่ามีการเกิดของร่างกายก็ต้องมีการดับของร่างกายมีการแก่มีการเจ็บของร่างกายหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ผู้ที่เห็นนี้ไม่ได้เป็นร่างกายไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายเลยไม่หวั่นไหวเลยไม่เดือดร้อนคำถามจากคุณธนดลถ้าระหว่างวันภาวนาไตรสรณคมแต่เวลานั่งสมาธิภาวนาคำว่าพุโทโธอย่างนี้ได้ไหมครับได้วิธีใดที่คอยควบคุมความคิดไม่ให้คิดก็ใช้ได้ทั้งนั้น คำถามจากคุณปา ร, ป ร, รีคนที่โทสะเยอะขี้โมโหขี้โกรธและหงุดหงิดง่ายจะแก้ไขอย่างไรบ้างครับเวลาโกรธก็ต้องใช้เมตตาให้อภัยคนที่เราโกรธอย่าไปเอาเรื่องเอาเราเขาอย่าไปาถือสาเขาคิดว่าเขาเป็นเด็กก็แล้วกันอย่าไปหวังอะไรจากเขาสาเหตุที่ทำให้เราโกรธก็จากความหวังความอยากของเรา อยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้พอไม่เป็นเราก็โกรธขึ้นมางั้นถ้าถ้าถ้าป้องกันได้ก็ป้องกันด้วยการลดความอยากเราอย่าไปอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้อยากเป็นอย่างนี้อย่าไปจู้จี้จุกจิกไหวให้ยินดีตามมีตามเกิดแล้วความโกรธก็จะไม่เกิดถ้าเกิดโกรธโกรธเกิดขึ้นมาแล้วก็มีสองวิธีหยุดมันวิธีง่ายก็คือพุทโธ พอโกรธใครขึ้นมาพอรู้ว่าโกรธก็ท่องพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปอย่าไปคิดถึงคนหรือเรื่องที่ทําให้เราโกรธพอพุโทโธได้สักห้านาทีมันก็ลืมไปความโกรธก็หายไปแต่มันหายแบบชั่วคราวเดี๋ยวถ้าไปคิดหรือไปเจอคนหรือเรื่องที่ทําให้เราโกรธอีกก็จะโกรธขึ้นมาใหม่ได้วิธีที่จะทําให้ความโกรธไี้หายไปอย่างถาวรก็คือต้องใช้ปัญญาว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เราควบคุมบังคับไม่ได้ เขาจะทำอะไรเขาจะเป็นอะไรเขาก็เป็นของเขาอย่างนั้นเราไปห้ามเขาไม่ได้เมื่อเราห้ามเขาไม่ได้เราก็จะได้ไม่ไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอเราไม่อยากเราก็จะไม่โกรธเขาคำถามจากผู้ฝากถามการสวดมนต์ในใจได้ไหมครับและต้องผนมมือทุกครั้งไหมครับถ้าเราอยู่คนเดียวถ้าเราสวดเป็ดมนต์เป็นการจเจริญสติก็ไม่ต้องผนมมือก็ได้ เดินจงกรมก็สวดได้นั่งก็สวดได้อยู่ในเอริยบทใดก็สวดได้เพราะเป้าหมายของการสวดนี่ก็เพื่อระงับความคิดปรุงแต่งต่างๆคำถามจากคุณดิศยา<ม>ในวงจรปฏิจจสมุ ป, ปาทอยากทราบว่าอาวิชชาคือการไม่รู้เรื่องไตรลักษณ์หรือไม่ครับและถ้าเราอยากทำลายวงจรนี้เราต้องทำลายตรงอวิชชาหรือตรงความอยากครับก็ตรงอวิชชาเน่ะการไม่เห็นไตรลักษณ์ การไม่เห็นความสุขที่แท้จริงว่าอยู่ที่ไหนไปเห็นความสุขที่มีตายลักษ <t od ate> ์ ก, ก็เลยไปเกิดความอยากได้สิ่งต่างๆขึ้นมาแต่พอมีปัญญาเห็นว่าสิ่งต่างๆที่ความอยากต้องการนี้เป็นตายลักษก็จะหยุดความอยากได้ความอยากจะหยุดได้ก็ต้องมีปัญญาเห็นไตาลักเห็นต้องมาเจริญตายลักษ์ก่อนถึงจะไปหยุดความอยากได้ พอหยความอยากได้ก็หยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้คำถามที่2กรณีที่เรายังกลับไปนึกถึงเรื่องเลวร้ายเรื่องที่ล้มเหลวในอดีตนอกจากพุทโธแล้วจะสอนใจอย่างไรให้เลิกเสียใจให้ได้ครับอ๋อเขบอกว่าเหมือนมันเหมือนความฝันไงมันผ่านไปแล้วเมื่อคืนนี้ฝันร้ายมันก็หมดไปแล้วมันไม่ความคิดที่เราคิดถึงมันมันไม่ได้เป็นความจริงแต่อย่างใด ไปคิดให้มันเสียเวลาทำไมคิดในเรื่องที่มีคนมีประโยชน์ดีกว่ามาคิดเรื่องตายรักมาคิดเรื่องอสุภะเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเรื่องอาการสามดีกว่ า, าก็สอนใจแบบนั้นไปแล้วต่อไปมันก็ไม่คิดคำถามจากคุณไพฑูรย์คำถามแรกผมได้ดูฟังวิดีโอธรรมะออนไลน์ของครูบาอาจารย์ต่างๆรู้สึกเพลินและอยากดูอยากฟังอยู่เรื่อยๆ ความอยากแบบนี้เป็นกิเลส ท, ที่แฝงมาในรูปการศึกษาธรรมะหรือไม่ครับจะเป็นกิเลสก็ต่อเมื่อติดการฟังโดยไม่ไปปฏิบัติการฟังนี้เพื่อให้เกิดความรู้วิธีปฏิบัติเมื่อรู้แล้วก็ต้องนำออกไปปฏิบัติแต่ถ้าฟังอย่างเดียวไม่ไปปฏิบัติก็เรียกว่าติดการฟังธรรม แต่ก็ไม่มีโทษเสียหายอะไรการฟังธรรมไม่มีพิษมีภัยเพียงแต่ว่าจะทำให้มันไม่ก้าวหน้าเท่านั้นเองเพราะเมื่อฟังแล้วรู้แล้วว่าต้องปฏิบัติอะไรก็ต้องไปปฏิบัติแล้วพอปฏิบัติแล้วสงสัยหรือไม่เข้าใจอะไรก็ค่อยกลับมาฟังใหม่หรือฟังเป็นการตามเวลาที่พระเจ้าสอนการฟังธรรมตามการตามเวลา เพื่อที่จะได้ตอกย้ำความรู้ที่เราได้ยินได้ฟังครั้งก่อนบางทีเดี๋ยวเราลืมได้เราก็กลับมาฟังใหม่พระเจ้าถึงสอนให้มีวันฟังธรรมอาทิตย์ละหนึ่งครั้งวันพระเพื่อจะได้ตอกย้ำหรือเพิ่มความรู้ใหม่ที่เรายังไม่รู้แต่ถ้าฟังอย่างเดียวแล้วไม่นำมาไปปฏิบัติมันก็เป็นเหมือนใบาลานเปล่าพระพุทธเจ้าส่งเตือนพระรูปหนึ่งที่ท่านเดียนพระตไตรปิฎก เอาแต่เรียนอย่างเดียวเอาแต่จดจำคำสอนที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกอย่างเดียวแต่ไม่นำเอาไปปฏิบัติตั้งก็บอกว่าเป็นเหมือนใบาลานเปล่าเป็นเหมือนธรรมะที่อยู่ในใบาลานที่ไม่มีคุณค่าประโยชน์อะไรไม่เพียงแต่เป็นแผนที่เท่านั้นเองเมื่อเราเรียนธรรมะแล้วรู้ทางแล้วว่าเราจะต้องไปเราต้องออกเดินทางเราต้องปฏิบัติเราต้องภาวนาจเจริญสมาธิจเจริญปัญญา แล้วเราถึงจะได้ไปถึงนิพนานได้คำถามที่สองเพราะเหตุใดองค์หลวงปู่มั่นจึงไม่ฉันด้วยช้อนครับก็มันไม่มีช้อนจะฉันนะ่ไมั น, ม, นมีช้อนแล้วมันมีปัญหาเวลาพรามันไม่มีช้อนก็ใช้มือไงพอใช้มือแล้วมันดีกว่าสบายกว่าไม่ต้องล้างช้อนล้างมืออย่างเดียวก็พอแล้วมือนี่ตักได้ดีกว่า แล้วสมัยก่อนบาดนี้เป็นบาด ท, ทีเ่เป็นบาดเหล็กที่ต้องเอาไปเผาไฟเพื่อให้เกิดผิวเคลือบเหล็กเพื่อจะได้กันสนิมถ้าใช้ช้อนเดี๋ยวไปขูดมันผิวที่เคลือบมันจะหลุดแล้วพอหลุดป๊บนี้พอน้าเข้าไปเดี๋ยวมันจะขึ้นสนิมได้ท่านก็เลยไม่เนี่ยใช้ช้อนกันวเวลาใช้ช้อนตักอาหารบางทีมันก็ต้องไปขูดกับผิวของบาดขูดบ่อยๆเข้าเดี๋ยวผิวมันก็หลุด หลุดแล้วก็ต้องไปไปทําบาดใหม่ต้องไปเผาบาดใหม่แต่สมัยนี้บัญหานี้ถูกแก้แล้วเพราะเป็นบาดสเตนเลสเดี๋ยวนี้มีรุ่นใหม่กว่านี้เรียกบาดเทฟลอนเดี๋ยวนี้มีบาดเทฟลอนออกมาบาดพวกนี้ไม่ติดอะไรเลยแต่สมัยหลวงปู่มานนี่ท่านไม่หนึ่งคงจะเป็นยุคที่ไม่ ไม่ส ะ, สะดวกเรื่องการที่จะมีช้อนคงจะเป็นเหตุเรื่องบาดนี้มากกว่าเรื่องกลัวจะที่จะไปขูดบาดจนกระทั่งทําให้ผิวที่มันเครือบหลุดออกมาแล้วทําให้เหล็กมันเกิดสนิมขึ้นมาได้เอะคาถามจากคุณทัศนีคําถามแรกขอหลวงพ่อเมตตาให้แนวทางในการเจริญสติเพื่อนําสติมาทําสมาธิต่อครับก็เนี่ยก็ฝึกท่องพุทโธพุทโธไปภายในใจ ตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยพอลืมตาตื่นขึ้นมาจิตเริ่มคิดแล้วก็หยุดมันด้วยพุทโธท่ทองพุทโธไปไปเตรียมตัวทำงานก็พุทโธไปอาบนา้ำล้างหน้าแปรงฟันรับประทานอาหารแต่งเนื้อแต่งตัวก็พุทโธทไปเดินทางไปทำงานก็พุทโธไปจนกว่าถึงเวลาทางานต้องใช้ความคิดในการทำงานก็หยุดพุทโธไปพอไม่ต้องใช้ความคิดในการทำงานก็พุทโธใหม่ต่อไป คอยควบคุมความคิดที่ไม่จำเป็นที่จะต้องคิดให้มันหายไปแล้วใจจะมีมีสติมีกําลังที่จะหยุดความคิดได้พอมานั่งสมาธิก็สั่งให้มันหยุดคิดได้คำถามที่2โยมลองฝึกท่องพุโทโธแต่ก็ยังหลงไปกับการท่องคือท่องแล้วก็เผลอไปนึกเรื่องอื่นท่องแล้วก็ลืมไม่เห็นการขยับของร่างกายขอพระอาจารย์เมตตาให้คาชี้แนะด้วยครับ ก็ต้องพยายามท่องอยู่เรื่อยๆใหมๆ่ๆมันจะไม่ชอบท่องต้องได้สองสามคำแล้วมันก็กลับไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ต่อพอพอรู้สึกตัวว่าไม่ได้ท่องก็เดินกลับมาใหม่มันเป็นการชักกรเยอะกันส่วนหนึ่งร่างกายไม่ต้องไปเห็นถ้าเราใช้พุทธโธเราไม่ต้องไปดูร่างกายก็ดูพอที่รู้ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ท่า น, นั้นเองแต่ไม่ต้องอยู่กับมันตลอดเวลาเหมือนกับถ้าเราใช้การเฝ้าดูร่างกายเพียงอย่างเดียว แต่ถ้าใช้พุโทโธพุธโทโธก็ให้รู้อยู่กับพุโทโธพุธโทโธอย่าลืมพุโทโธพุธโทโธไปเรื่อยๆก็ลองตั้งเป้าไว้ว่าต่อไปนี้จะท่องคํานนี้ว่าอย่าลืมพุโทโธอย่าลืมพุโทโธ <c oughs> <c oughs> ดูเสียมันจะลืมไหมคำถามจากคุณดิศยาในกรณีคนป่วยหนักและตัดสินใจที่จะไม่เข้ารับการรักษามีหลายคนบอกโยมว่าให้สาธุกับเขาที่เข้าใจเด็ดแต่โยมยังสงสัยว่าถ้าคนป่วย เขาไม่รับ ก, การรักษาเพราะท้อแท้และเศร้าใจจะได้ผลเหมือนคนที่ปล่อยวางร่างกายได้จริงๆหรือไม่ครับก็ไม่รู้ว่าเขาปล่อยอยังไงถ้าเขาปล่อยก็เขาเรื่องของเขาเราไม่รู้หรอกว่าเขาเศร้าใจหรือไม่เศร้าใจที่เขาเศร้าใจก็เพราะว่าเขายังปล่อยแบบแท้ท้าวอนไม่ได้แต่เขาไม่อยากจะยุ่งยากกับเรื่องการรักษาก็ได้ก็ไม่อยากจะเจ็บเนื้อเจ็บตัวไปเปล่าๆรู้ว่าเจ็บไปก็ไม่หาย ก็เลยไม่รักษาดีกว่าก็ได้แต่ใจยังเศร้าอยู่เพราะว่ายัางปล่อยร่างกายไม่ได้สาหรับผู้ที่ปล่อยร่างกายได้ไม่ต้องการรักษาแต่ใจไม่เศร้าใจรู้สึกเฉยๆหรือว่ามันถึงเวลาของร่างกายที่มันจะต้องไปก็ปล่อยมันไปก็มีปล่อยแบบสงแบบปล่อยแบบเศร้ากับปล่อยแบบไม่เศร้าที่ปล่อยแบบเศร้าเพราะยังปล่อยไม่ได้แต่ไม่อยากจะต้องมาทรมานมาเจ็บกับการรักษาพยาบาล ก็เลยไม่รักษาแต่ใจก็ยังยังไม่ได้ปล่อยร่างกายอย่างแท้จริงเ่าคำถามสุดท้ายนะคำถามจะคุณต้นกล้าอุเบกขาที่ได้จากสมาธิทั้งสองแบบคือแบบไม่รับรู้กับสิ่งภายนอกและแบบรับรู้อยู่แต่ไม่ราคาญพอออกจากสมาธิมาสามารถนำอุเบกขาทั้งสองแบบนี้มาพิจารณาไตรลักษณ์เหมือนกันใช่ไหมคะน้าหนักจะต่างกันไหมเจ้าคะ ถ้าได้แบบแบบที่ร่างกายหายไปเลยมันจะหนักแน่นกว่ามันจะมันจะมีกำลังมากกว่าจะอยู่คงนานกว่าแบบที่มันแบบยังไม่เต็มร้อยแต่ก็ใช้ได้ทั้งสองแบบแบบที่ไม่เต็มร้อยอาจจะหมดกำลังเร็วกว่าแบบที่ได้แบบเต็มร้อยแต่ก็มีประโยชน์เหมือนกันต่างกันทังระยะเวลาที่จะใช้มันมันจะอาจจะสั้นยาวต่างกันเท่านั้น